บุ๊ก <Book> 2 <S ห้าเป็ดปดประเทศและภาษาเซมีอียาซิีเซมีอียาซิตีจอห์นมาจากลอนดอนจอห์เออดลอนดอน จอนเอออลอนดอนลอดนอยู่ในประเทศอังกฤษลอนดอนเซนาอุกงอเังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษโ o ยสบูรุวาอังกฤษโดยสบูรวาอังกฤษ มาเรียมาจากแม้ดริดมาเรียเอโอ้ดรมดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดริดเซนาอวช์สเปนิอามนาอ a ญญเธอพูดภาษาสเปน ТА з บ о р у в а ш п ป н ส к и ТА a б о р у в а ш п а ป с к и ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน peter и марта се от берлин peter и марта се от берлин เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน เบอร์ลินเซนอาอยู่ในเยอรมนีเบอร์ลินเซนอาอยู่ในเยอคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมสบูรุวัตเต้ลีวีเอดไวซ์ซาตาเยอรตเลดเป็นเมืองหลวงลด เเล้วก็เป็นเมืองหลวง กล่าวหนึ่งประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปฝรั่งเศสนาวเออโรปาฝรอุกรปาระเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกายป์เซนอุ โอบอฟริกาเซนาอกยโบอฟริกาประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญี่ปุ่นียเซนาอกยโอญี่ปุ่นยเซนาอกยโอประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาเซนาอุกยา แคนาดาเซนอาอยู Canada, ja ่ใน а วีปอเมริกากลางปานามาเซนอาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานา а าเซนอาอยู่ในทวีปอเมริ а ากลางปานามาเซนอานทอเมริประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ บรัสิลเซนาโอกา во ยุ่งนอเมริกาบรัสิลเซนาโอกา во ยุ่งนอเมริกากรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด